รักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นไม่มีอะไรจะ ที่มีต่อลูกนั่นเองในที่นี้ลองบาทของตัวท่านเองว่ามีต่อลูกอย่างไรเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยิน ถ้ารักลูกก็อย่าปล่อยคอยว่าขานหากเราจะปล่อยให้ เราไม่อยากให้ลูกผิดก็ต้องป้องกันและแก้ไขอยากให้ลูกผิดก็ต้องป้องกันและแก้ คือคําแนะนําพร่ําสอนถ้าว่ายากสอนเย็นก็ต้องตีเคี่ยว คือก็ต้องรู้จักให้กําลังใจที่ลูกทําดีก็ต้องรู้จักให้กําลังใจ ก็ภัยก็ต้องแก้ด้วยการตีบ้างด้วยไม้เรียวคือหากว่าแนะนํา จึงจะอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่จะได้สร้างปมด้อยให้เกิดแก่ลูกจะเป็นความผิดอย่างมหังไป นั่นคืออย่าลงโทษลูกโดยที่ยังไม่ปรากฏความผิดอย่างแน่ชัดพ่อแม่บางรายไว้ตัวความรู้สึกลูกโดยที่ยังไม่ปรากฏ ที่สําคัญคืออย่าหงุ้มข้าวประชดหมาอย่า ที่อีกอย่างหนึ่งผลเสียต่อลูกอย่างอย่าตามใจลูกมากจนเกินไป ไม่ใช่ลูกขออะไรใช่ลูกขออะไรพ่อแม่ก็ตอบคําเดียวว่าลูก พ่อแม่ไม่สั่งสอนแม่ไม่สั่งสอน โดยอาศัยความรักเป็นมูลฐานได้แก่การพนอลูกไม่ถูกกาลพ่อแม่บางคนรักลูกแต่ ไม่ยอมให้ลูกได้มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองบ้างเลยยอมก็ยังสั่งแล้วสั่งอีกลูกคือการพนอลูกเอาใจจนเกินพอดีโอกาสช่วยเพราะไม่มีความรับผิดชอบ เอาตัวรอดไม่ได้ตัวรอดไม่ได้เพราะฉะนั้นพ่อแต่ท่านผู้เป็นพ่อแม่ทั้งหลาย โปรดทราบไว้เถิดว่าท่านไม่มีโอกาสท่าน ก็จะตรอมใจมากเท่านั้นจะตรอมใจมากเท่า ระหว่างพรวนวิลลาวัฒนาต้นบานพระราชบิดาในส่วนที่พระตำหนักวิลล่า ฉันไม่ได้ปลูกด้วยเมล็ดแต่ไปซื้อต้นเล็กๆที่เขาเพาะแล้วมาปลูกแต่มันก็ ซึ่งเมื่อฉันเอามาปลูกไม่สามารถทําได้เช่น ทรงเป็นตัวอย่างของแม่ที่ดีคนหนึ่งคนเราก็เหมือนกันอย่างเป็นเด็กก็แข็งแรงฉลาดเมื่อเด็ดเอาของที่เสียออกแม่คอยสั่ง เหมือนกับต้นดอกบานชื่นเหล่านี้สมเด็จพระบรมราชชนนี กับคนเราต้องรู้จักบังคับตัวเองสำนักพระราชวังเวลาเรียนเวลารับประทานอาหารเวลาพักผ่อนทุกอย่าง ต้องเป็นไปตามเวลาถ้า ทั้งในทรงสอนทั้งด้านแนะคือทรงบอกให้รู้การรักษาระเบียบวินัยและ ท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่คนทั้งหลายคงจะเคยได้ยินนิทานเรื่องลิงเลี้ยงลูกมันเลี้ยงโดยลูกรักเอาไว้ข้างหลังลูกชังเอาไว้ข้างหน้าลูกตัวใดที่รักหนักหนาก็เอาไว้ข้างหลังเกรงจะถูกน้ําเหนียวเกาะเกี่ยวในเวลา วันเจ้าลูกรักจะเป็นอันตรายสู้เอาซ่อนไว้ข้าง พ้นกลับตะรับลูกที่แม่มันรักหนักหนากลาย ส่งไปเป็นแนวหน้าหน่วยกล้าตายกลับหากิน แต่เมื่อมองในด้านการปฏิบัติแล้วไม่ใช่ทํากัน หรือจากที่ท่านปฏิบัติก็ยังหาได้ยากพ่อแม่บางคนไม่ขัดสนยากจนถึงต้องอาศัยลูกเลี้ยงทางกายแต่ก็ยังต้องการให้ลูกเลี้ยงทางใจเช่นเชื่อฟังโอวาดของท่านให้สบายใจฟัง มันขยันทําก็เอาใจใส่รักษาพยาบาลให้เจริญด้วยวิชา ก็ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วมีเพราะฉะนั้นเป็นจะให้ลูกตนเองปฏิบัติดีแก่ตนอย่างไรต่อไปขาดทั้งอย่างจะได้ชื่อว่าเป็นคนดี มีสินธรรมซึ่งมนุษย์ด้วยกันก็บูชาเทวดาก็ชื่นชมซึ่งผู้ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาแล้วด้วยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก เป็นต่อไปในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเริ่มต้นดีมาแล้วต่อไปก็ย่อมมีพักต้องสงสัยแลในนิธานชาดกเล่าถึงที่ดีของ กับเพื่อนเพื่อนครั้นถูกห้ามก็ไม่พอใจแถมยัง ต่างความตายคิดว่ากลัวความตายคิดว่าจะต้องมีๆจึงตกลงทําพิธีจับ สัตว์แพไปติดเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทรมาน จึงเข้าไปวอนขอเข้าไปวอนขอแม้เปรตนั้นจะแถะแจ้ง เลือดไหลไหลโสมไก่จะยกออกก็ไม่ได้ต้องทน ถ้าเรามีลูกก็เห็นจะไม่มีอะไรเกินกว่าเห็นลูกเกินที่จะ ความมีแก่ใจลูกมีแก่ใจลูกก็เป็นสิ่งวิเศษให้ ตกลงว่าทุกอย่างต้องอาศัยพ่อแม่พ่อแม่จึงเป็น มีความกตัญญูรู้คุณเพียงแต่จะสอนด้วยการพูดให้ฟังอย่างเดียว แม้จภированฐา ถึงความกระต�יุกระตะเวที ให้วิจศิติธิ shipping ตร ted ท่านจะต้องสอนด้วยการทําให้ดูให้เขารู้ให้เขาเห็นด้วย เด็กทุกวันนี้ขาดตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะตัวอย่างในบ้านธรรมชาติบังคับให้ลูกฉะนั้นไม่ว่าอะไร คนเป็นผู้สอนคนแรกของลูกเป็นผู้สอนคนแรกถ้าอยาก มรรคมนุษย์เลี้ยงพ่อแม่ด้วยดีตลอดชีพตายแล้วไปเกิดบนสุวรรณสามอุตสาหะปฏิบัติท่าน พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วยังเสด็จไปโปรดพระบิดา โยมาตรังมาตรังปิตรังวามัจโจธัมเมนะปูสติอิเทวะนังปสังสันติเตจะสักขีปโมทติแปลว่าผู้ ก็ได้รับความบันเทิงเรืองรมในสวรรค์คนที่กตัญญูต่อพ่อแม่เท่ากับการ คนกตัญญูย่อมสําเร็จมรรคผลนิพพานทุกหนแห่งทุกชาติทุก ทำแก่ตัวเขา